ขน้อมต่อคุณพระรัณทรัยโอการหลวงมกลมเครื่องสถทมิ ท, ท, ม ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีระยะตดทธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้ตรวจบทนำะมักมีองแปดเนาะอันนี้ก็เป็นบทที่สำคัญมากเพราะว่าอยู่ในอริยสัจสี่นะมักนี่ก็คือเครื่องดำเนินสู่การพ้นทุกนั่นเองนะมีอยู่แปดข้อนะ คือมักนี่มีองค์เดียวแต่ว่ามีอยู่แปดข้อนะก็คือข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปโตดําริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมโตมีการงานชอบสัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาบารยามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติ มีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบอันนี้ก็คือหนทางนะที่ว่าจะดำเนินไปสู่การพ้นทุกข์นะคือถ้าผู้ใดปฏิบัติในมรรคในอแปดนี้นะก็จ ะ, ะเข้าสู่ความเป็นนิโรธได้คือเข้าสู่ความดับทุกข์นั่นเองนะถ้าโดยย่อเป็นย่อยๆก็คือมีศีลแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นเองเนาะ ครัน้นี้ก็จะพูดเป็นบางข้อแล้วกันนะนะก็คือในข้อแรกนะก็คือสัมมาทิฏฐนะิคราวนี้สัมมาทิฏฐินี้ก็คือมีความเห็นชอบนั่นเองครั้นี้เราจะมีความเห็นชอบในอะไรนะอันะนะนี้ในที่เมื่อกี้เราสวดมาก็มีความเห็นชอบว่าอนะมีความรู้นะในอนะ่ความทุกข์นะมีความรู้ในความทุกข์ขึ้นมาก่อนนะ ก็คือทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะถ้าดูในอรไยตัดสีนี้ทุกเป็นสิ่งต้องรู้เนีเราต้องรู้จากความทุกข์นะทุกก็คือต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์กิเลสอะไรนั้นําให้เรามีความทุกข์เราก็รู้ในสิ่งนั้นนะเช่นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความเหงาความเครียดความกลัวความหึงหวงความมิจฉาต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือเป็นกิเลส ที่จรเข้ามาในใจของเราเราก็ต้องรู้เท่าทันกินเลส ท, ที่จอนเข้ามาในแต่ละครั้งกิเลสอะไรที่เกิดขึ้นก่อนเราก็รู้กิเลสนั้นก่อนนะเราไม่ต้อไปรู้กิเลส ท, ทุกตัวหรอกคือกิเลสนี้จะปรากฏในใจเราเป็นขณะเป็นครั้งครั้งเป็นอย่างๆเท่านั้นเองนะไม่ได้อยู่ในใจเราตลอดเวลาปกติเราก็ไม่มีพวกนี้อยู่หรอกแต่ว่ามีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจอยู่แล้วพอกิเลสเหล่านี้มากระทบอายตนะภายใน อคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายตนาภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงผลทภาธรรมลมแลก็จะเกิดความรักความชางังความโกรธความเกียดต่างๆเหล่านี้ตามมาจากการกระทบนั่นแหล ะ, ละก็จะเกิดลูกใสาภายในเราก็จะดันกินเลสเรานี้โผล่ขึ้นมานะาแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีความโกรธขึ้นมาอย่างเดียวก็ได้หรือจะมีความโลภเกิดมาอย่างเดียวก็ได้เนีเราก็มีหน้าที่รู้ไป เราไม่ไดมีหน้าที่ไปละเขาเนาะต่อมาก็คืออสมาธิที่ในต่อมาก็คือให้รู้รู้ในสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์หรือรู้สมุทัยนั่นเองนะสมุทัยนะคืออะไรสมุทัยก็คือปัญหาทั้งหลายนั่นเองนะปัญหานี่แหละคือสมุทัยก็มีอย่างที่ว่ายายังตัญหาโตนพวิกานันทิลาคัสตาตัตระตัตระที่นันทินี ก็คือตัณหานี้เป็นเหตุให้นำให้เราไปเกิดอีกนะครับคือความกันกำหนัดนะและเป็นความเพลิดเพลินไปอย่างยิ่งในอะไรสสยธีทางก็ได้กการมาตัณหาคือความเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผลทพธรรมลมนะข้อที่สองก็คือภาวตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายนะข้อที่สามก็คือวิภาวตัณหาคือการที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น เพราะว่าตัณหาก็คือการที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะอยากที่จะได้ดีต่างๆนะอันนี้ก็เป็นภรรตตัณหาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราปัดหนาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้สติสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เราจึงต้องวางใจให้ถูกต้องก็คือเราไปบัติด้วยฉันทะก็คือความพอใจก็พอนะไม่ต้องอยากไปได้อะไรทั้งสิ้น เหมือที่ลงมาเทียนก็ได้บอกไว้ในเทคนิคลงมาเทียนบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเราก็ปฏิบัติได้แต่เราก็ไม่ต้องอยากได้อะไรนะครั้นี้ปฏิบัติแล้วเราเนี่ยถ้าเราเราได้หรือเราไม่ได้ก็เป็นความทุกข์อีกนะปฏิบัติทําแล้วพอเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะได้เออมาอมีเวลาหยุดสีห้าวันมาปฏิบัติอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะเราไม่ได้เราก็มีความทุกข์นะเราทําไมไม่ได้ หรือมันทำไมไม่ดีถาวรน้ามาวันเราดีวันนี้เราไม่ดีเลยทํานองเนี้ยเพราะเรามีความอยากได้เราก็เลยไม่สมหวังนะมันก็มีความทุกข์นะแต่พอเราได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงอีกนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปไปอย่างที่ว่านั่นแหละบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีถาวรแล้วก็มีความทุกข์อีกนะเพราะเราก็อยากไปอยากได้อะไรแต่เราเป็นวัดด้วยความพอใจก็พอแล้วได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะนี่เราจะทําให้ใจเราสบายขึ้นแล้วก็ไม่จะเป็นตันหาด้วย ส่วนมีภาวะตัณหาก็คือเราไปผักไสต่างๆนะผักไสไม่อยากจะมีความโกรธมีความโกรธก็ผักไสก็ออกไปผักไสทุกๆุกอามณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เรามีความทุกข์ก็ผักใส่เขาอันนี้เราก็ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่เทียนก็บอกให้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆนีหละก็คือเราไม่ต้องไปผักใส่เขามีอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆเพราะนั้นก็จะตรงกับที่ในข้อทุกว่าให้รู้นั่นเองนะ ก็วงเล็บว่ารู้เฉยเฉยก็แล้วกันนะในข้อทุกอ่ารู้แล้วก็วงเล็บว่ารู้เฉยเฉยก็จะถูกต้องกับข้อนี้เลยนะว่าตรงกับที่วิภาวตัญหาว่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ไําไปผักใส่เขาเขาได้ไปผักใส่เขาก็เป็นวิภาวตัญหาก็เป็นตันหาอย่างหนึง่งนะตรงนี้มันก็จะทําให้เราอาไปเมื่อเราผักใส่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปเราก็มีความทุกนะอ่ามันก็มีความทุกแต่เมื่อเราไม่ผักใส่เราแค่รู้เฉยเราก็จะเห็นรภาวะเี่เขาอ่าตั้งอยู่ได้นานขึ้น จะสังเกตอารมณ์ได้นานขึ้นการที่เราสังเกตระลมได้เนี่ยแหละเป็นการที่เรียกว่าเราเจริญส ต, ติในตัวเพราเราสามารถที่จะระลึกได้ในตรงนั้นได้ชัดเจนนะความโกรธเราก็ระลึกได้ชัดเจนขึ้นเขาดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเห็นสภาพว่าของจิตในตรงนั้นได้ชัดเจนแต่ถ้าเรารู้เฉยๆแล้วเนี่ยเขาก็จะดับไปเร็วนะเพราะว่าการที่เราอยากให้เขาดับมันก็คือกิเลส ต, ตัวหนึ่งนั่นเองก็คือวิภาวตันหาก็เป็นอาุปสนนะแต่จิตของเราเนี่ย ความโกรธมันก็เป็นอกุศลอยู่แล้วเราจึงเอาอกุศลเนี่ยเปละไม่ได้มันก็เป็นกลุ่มเดียวกันเพราะเราจึงต้องเอากุศลไปไปดับในอกุศลก็คือจิตจะเกิดได้ทีละครั้งทีละดวงนะเพราะนั่นมันจิตเกิดอกุศลในการเราลุยเฉยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะดับไปได้นะตรงเนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะการลุยเฉยก็คือการสักแต่ว่านั่นเองนะสักแต่ว่าหรือไม่ให้ค่านั่นเองนะตรงนี้มันก็ตรงกับที่หลายๆอย่างที่เป็นภาวะธรรมตรงนี้กันหมดเลย มันจะตรงกันตรงนี้กันเยอะแย ะ, ะไม่ว่าจะเป็นภาพพายะหรืออะไรต้องเยอะแยะเนาะให้รู้เฉยๆก็พอแล้วต่อมาก็มีความรู้ในความดับแห่งทุกก็คือให้รู้ในนิโรธนะก็คือนิโรต ก, ก็แปลว่าดับนะทุกนิโรต ก, ก็คือการดับทุกนั่นเองก็คือให้รู้ในการดับทุกการดับทุกมีอะไรก็คือโยตัสาเยวะตันหายาเสสะวิลาคะนิโรโท จาโคปนิสสะโคมุตินารโยก็คือการที่เราดับตันหานั่นเองนะการที่เราทําให้จางคายไปจากตันหาก็คือเวลาคะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราเกิดเวลาคะขึ้นมาก็คือการที่เราจางคลายจากตันหาจางคายจากความไม่ยึดติดนั่นแหละมันก็จะเข้าสู่นิโรดนี้โดยตรงนะมันนิโรธแล้วก็จะเป็นนิโรโทต่อก็คือการดับไม่เดือแห่งทุกนั่นเองก็คือการดับตันหาโดยสิ้นโดยไมโดนโดยดับโดยสิ้นเชิง ทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนี่แหละจึงเข้าสู่นิโรธได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าการดับตันหานั้นคือคอะไรก็คือการดับสมุทยัยสมุทัยก็คือเป็นสิ่งต้องละนั่นเองนะมันจะตรงกันหมดเลยเนะมื่อดับตันหาก็เข้าสู่นิโรธเพราะฉะนั้นการดับาการละสมุทยัยนี่แหละคือเหตุแห่งการเข้าสู่นิโรธได้โดยตรงต่อไปก็เป็นให้มีความรู้ในการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็คือ ไปฏบัติเพื่อความดับทุกข์ก็คือมรคนั่นเองนะแล้วก็จเจริญในมรเพียงแปดนี่แหละเราก็จะเข้าสู่ความดับทุกข์นี่ได้นะเมื่อเราไปบัติไปแล้วเราก็จะเห็นถึงสภาวะที่ระบังคับเป็นชาเข้าไม่ได้นะอการไิบัตินี้ก็เพื่อเห็นตรงในตรงนี้ในความไม่เที่ยงนี่แหละเพราะว่าจะเห็นสภาวะธรรมนะที่มันไม่แน่ไม่นอนนะบางวันเราก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะตรง น, นี้ก็คือความไม่เที่ยงจะเห็นความคิดนะว่าเขาก็ไม่เที่ยงนะ เหตุที่เราตั้งใจคิดเนี่ยมันจะแค่เล็กน้อยสิเปอร์เซนตแต่ความที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยจะมีเยอะตรงนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้อยู่แล้วมันจะมีความคิดอยู่บ่อยๆก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ทันไปนั่นก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเรานะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเปิบัตรทำแล้วไม่ใช่ว่าเปิบัตรทำแล้วเราจะต้องไม่คิดอะไรเลยนะถ้าเราไปตั้งใจอย่างนั้นก็คือเราไปบังคับเขาแล้วนะไปคอยเพ่งคอยจ้องนะคอยกดข่มเขาอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง แต่ว่าเมื่อเขาคิดแล้วเนี่ยเรารู้ทันไหมนะคิด систем, หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ทันได้เยอะเนี่ยสติก็จะเกิด น, น่นองที่หลวงม่เทียนบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ห้ามความคิดแต่เขาคิดเนี่ยเรารู้ไหมตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญกว่านะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดได้นะไม่เป็นไรคิดไป็นคิดไปเถอะแต่เรารู้ทันก็ใช้ได้แล้วนะมันจะได้ตรงตรงนี้เป็นกํำลังทางจิตนะกนะนะนะารที่เราจิตไหลไป คิดไปเรารู้รู้ทันแต่ละขนาเนี่ยอันนี้จะทําให้จิตเนี่ยเกิดการตื่นตัวขึ้นมานะจิตที่รตื่นรู้ขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะยิ่งจิตคิดเยอะนะยิ่งรู้ทันเยอะนี่จิตจะยิ่งตื่นตัวเร็วนะจิตจะอ่ามีการรู้ทันความคิดะจิตก็จะมีเขาเรียกว่ามีกําลังนะจิตมีกําลังของจิตในตรงนี้จะต่อไปจะเห็นความคิดได้ชัดเจนได้รู้เท่าทันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะโดยภา้ใครใที่ไม่พูดนะ อ่าถ้ามาไปบัตรธรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดเนี่ยจะเห็นความคิดได้ชัดเพราะเมื่อเราไม่ไม่พูดออกไปนะก็จะเกิดคําพูดอยู่ภายในนะเมื่อเกิดคําพูดภายในเราก็จะสังเกตคําพูดเรล่านี้ได้ได้ชัดเจนนะเหมือนกับเราเจอใครปุ๊บเนี่ยเราอยากจะพูดแล้วก็พูดกับเขาไปเลยเราก็ไม่เห็นคําพูดที่เราอยากจะพูดแต่เมื่อเราเห็นแล้วเราอยากจะพูดปั๊บเนี่ยแต่เราไม่พูดนะเราก็จะเห็นคําพูดที่เกิดขึ้นนะเช่นเออเจอปุ๊บเราอยากถามว่าไปไหนมานะแต่เราถามไม่ได้เพราะเราไม่พูดเนี่ย เราจะเห็นคําถามเกิดขึ้นในในใจเราแล้วนะเห็นเห็นคําพูดที่อยากจะพูดไปแล้วก็เห็นความคิดในตรงนี้นะเหมือนกันถ้าเราอยากจะถามใครเราถามไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เห็นความอยากจะถามของเราไม่เห็นคําถามของเราแต่เราอยากจะถามเราก็ยังไม่ถามนะเราก็คือเราไม่พูดเราไม่ถามเราจะเห็นคําถามที่เกิดในใจเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นความคิดได้ง่ายนะ เพราะนั้นจึงว่าถ้าเราพูดน้อยเนี่ยก็จะเดเราจะเห็นความคิดได้ง่ายขึ้นหลังนั้นเมื่อเราเห็นความคิดแล้วนะเราก็จะค่อยๆเข้าใจอ่าสภาวะธรรมได้ง่ายขึ้นเอยความคิดมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเขาก็ไม่ได้อยู่ถาวรอะไรหรอกเข้ามาแล้วก็ไปเป็นสิงๆเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ก็จะเห็นหลายๆอย่างในตรงนี้นะว่าเข้ามาแล้วก็ไปก็คือมันไม่เที่ยงนั่นเองแล้วก็เป็นความทุกข์เพราะความทุกข์ก็คือการที่เขาอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะ เราเห็นว่าเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้ก็คือในเขาจะเกิดเขาก็เกิดเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเมื่อเราเห็นเช่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็เข้าใจว่านั่นแหละเขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเราเนาะแต่เราบังคับบัญชาเขาได้ก็แสดงว่าเขาเป็นตัวตนของเราในวันนี้วันก็ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็เห็นเพราะการปฏิธรรมก็คือให้เราเห็นในสภาวะแห่งสีลธรรมนี่แหละคือความจริงของโลกเนี่ก็คือทุกอย่างเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงหมดเลย เป็นทุกข์ทนในสภาวะ่าเดินไม่ได้แล้วก็เป็นนักตาก็คือบังเข้าบัญชาก็ไม่ได้ไม่มีตัวไม่ตนอันนี้คือความจริงของโลกนะความจริงที่เป็นสัยธรรมซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะห น, นีพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉนั้นสัยธรรมก็คือให้เราเข้ามารู้นาะมาเห็นในตรงนี้เป็นความจริงจริงของเขาแล้วเนี่ยจิ ก, ก็จะเกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในตรงนี้ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไปตามเหตุตาบัญจเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการอะไรกับเขาเลย พราจัดการอะไรเขาไม่ได้เลยเข้ามาตามเหตุตามบัจจัยมาตามเหตุตามบัจรใ จ, าาใจแล้วก็ไปตามเหตุตามบัจจัยเท่านั้นเองนะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตเท่านั้นเองไปจัดการเขาไม่ได้นะมัก็ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเต็มตรงนี้มันจิตจะวางได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราจิตจัดการเขาก็ได้ทุกอย่างต้องดีตามใจเราทุกอย่างนะต้องดีถาวรนะต้องไม่มีการไหลไปอ่าต้องไม่มีอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้น ตรงนี้ก็คือความเข้าใจผิดของเราที่จะไปจัดการกับเขาตรงนั้นแล้วเราก็จัดการไม่ได้จริงๆแล้วเราก็มีความทุกข์เองนะเพราะว่ามันไปตามเหตุตามปัจจัยเราไปทําอะไรเขาไม่ได้เลยในตรงนั้นนะตรงนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วจิตจะวางได้เร็วจะเห็นอนัตตาจริงๆวเราทําอะไรเขาไม่ได้นะจิตจะวางเร็วแต่เราคิดว่าเราไปจัดการกับเขาได้มาเลยนั่นแหละเราจะเป็นอัตตาขึ้นมานะอ่ามันก็จะไม่วางไม่วางตัวไม่วางตนนะมันก็ต้องจัดการกันตลอดไปแล้วมันจริงๆก็มันก็ทําไม่ได้นะ เนี่ยตรงนี้ก็คืออ่าในข้อแรกคือสัมมณิติที่เร า, าต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะมีความรู้ในออริยสัจสี่นั่นแหละรู้ในทุก์สมุทัยในโลดมร์เนี่ยต่อมาก็มีหลายๆข้อผ่านมาจนถึงข้อที่เจ็ดนะข้อที่เจ็ดก็เป็นสิ่งเรามาปฏิบัติทํากันก็คือความระลึกชอบความระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบในอะไรนะก็คือในกายเยกายานุปัสสีวิหาราติก็คือ มีการพิจารณาเห็นกายในกายทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะแล้วก็เมื่อเราพิจารณาแล้วก็จะเกิดอาตาปีสามมชาโนสติมาวินเนยะโลเกอพิชาทมลสังอาตาปีก็คื อ, อมีความเพียนเครื่องเผากิเลสนะสามัญชาโนก็คือมีสติอสัมัชาโนคือมีสัมัญญะนะสติก็คือมีสติวินเนยะโลเกวินเนยะโลเกก็คืออ่า สามารถที่จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ออกไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติก็คือเรามาเห็นกายในกายนี้เท่านั้นเองนะว่ากายในกายนี้คืออะไรก็คือเป็นสักแต่ว่ากายนะไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ตนของเรานั่นเองนะคราวนี้เราก็ทําอย่างไรก็คือเราต้องมาเจริญสตินั่นแหละเจริญตามอในสติปัฏฐานสี่นั่นก็คือการที่เรารู้อีบทใหญ่ โดยใหญ่ก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็รู้ไปนในอิปนเหล่านั้นนะเพราะการที่เรารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละมันจะทําให้เราเข้าใจความเป็นจริงว่าเออมันไม่ใช่กายของเราจริงๆนะมันต้องเห็นต้องรู้ในตรงนี้ให้ได้นะหมือนกับว่าอ่าทําไมเราต้องรู้ในตรงนั้นนะครั้งหนึ่งก็มีพรามก็มาถามพระเจ้าว่าท่านลุงทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนอ่พรามก็เลยหัวเราะเยาะบอกว่า ชาวบ้านเขาก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันครูเจ้บอกไม่เหมือนกันนะเรายืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเราเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเรานั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเรานอนก็รู young, ้ชัดว่าเรานอนนะก็คือให้เรารู้อาการไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะว่าเราขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ยืนเดินนั่งนอนเนี่อรู้ชัดไหมอ่าต้องรู้นะตามขณะนั้นด้วยนะเพราะส่วนมากชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมอ่าเพราะว <ST> ่าเขาเดินไปเขาก็คิดไปนะเขาก็ไม่รู้ขณะนี้กําลังเดินนะเป็นส่วนใหญ่นะ ทำอะไรก็ไม่รู้ขณะนี้กํา s, ลังทําอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะก็อยู่กับอดีตบ้าง <c oughs> กั็นาคอดบ้าง <c oughs> เข้าในความคิดนั่นเองเข้าไปในความคิดก็ไหลเข้าไปในอดีตไหลไปนาคต <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรไม่รู้ปัจจุบันธรรมนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับกายจริงๆก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันธรรมนั่นเองเช่นเราเคลื่อนไหวมือก็รู้ไหมว่าขณะนี้กําลังเคลื่อนไหวนะ รู้ว่าการบุบไหวคำมือไหมรู้การเคลื่อนก็คือแค่รู้สึกเท่านั้นเองนะมันไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะเลยรู้แค่เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาเท่านั้นรู้สึกรู้สึกเท่านั้นก็พอแล้วเพราะในปัจจุบันนี้มันไม่ได้ต้องรู้อะไรเยอะไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายไม่ต้องไปรู้เออตรงนั้นผิดตรงนี้ถูกตรงนี้ทำอย่างไรตรงนี้ทำแล้วจะได้อะไรตรงนั้นเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นแต่การมาลุปัจจุบันก็คือรู้แค่การเคลื่อนไหวรู้แค่การ อ่ะวุบไหวนะหรือรู้แค่ ق, รู้สึกรู้สึกแค่นี้ก็พอแล้วนะมันจึงอยู่กับปัจจุบันจริงจริงจึงจะตัดออจะความคิดได้นะมันก็จะเป็นติดอยู่ในความคิดทั้งทั้งหลายแหละนเป็นความคิดเอาทั้งนั้นจึงไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจริงจริงเพราะปัจจุบันมันไม่เป็นความคิดนะแต่เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยให้อยู่กับเห็นกายในกายนะก็คือในตัวแรกก็ให้รู้ในบทใหญ่ก่อน อมาก็ให้รู้ในสัมมนาชัญญยะประภะก็คือการรู้ในบทย่อยต่างๆเช่นค้มเงยดื่มกินพูดคิดคู่แขนเยยดแขนเดี๋ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังอุจละปัตตว ะ, ะหรื อ, อทรงจีวรสังาติต่างๆเป็นต้ น, นก็คือรู้ในบทย่อยทั้งหลายแหล่ก็ให้รู้ทันไปต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยู่ในชีิตยาวันของเราอยู่แล้วการที่เราดื่มกินพูดคิด นะก้มเงยคู่แขนเหยียดแขนนี่แหละเรารู้ไหมนะมันก็คือต้องรู้ทุกอย่างในการขึ้นไหวเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขึ้นไหวในทางกายเกิดขึ้นก็ให้มีสติเข้าไปตามรู้ด้วยตามรู้กายไปนะตามรู้กายไป <c oughs> เนี่ยคราวนี้ต่อมาแล้วนะก็เป็นข้อเวทนานะก็ให้เห็นเวทพิจารณาเห็นเวทนาในเวทาทางไายทั้งหลายอยู่เป็นเหมือนจแล้วก็อัตาปีสัมมาชานโนสติมาวิเนยะโรเกพิชาโทมลัสัง มีความเพียรเครื่องเผาเกลเอ็ดมีสมัมมาชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะล้วกนะ็เมื่อไปบัตรทำในกายแล้วเราก็จะเห็นเวทนาเกิดขึ้นนะอจะเห็นนะในสุขเวทนาในทุกเวทนาและเฉยเฉยก็คืออทุกข์มาสุขเวทนาตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นในทางกายและทางใจนะเรานั่งไปตอนนี้บางคนจยเริ่มปวดเมื่อยแล้วปวดเมื่อยต่างๆนี่ก็เป็นเวทนานะเป็นทุกเวทนาเกิดขึ้นนะ บางทีนะตอนนี้ จ, จะมีพัดลมหรือมีลมเย็นๆพัดมาเราก็รู้สึกพอใจอันนี้เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นนะ <S <S บางคนก็เริ่มโดนยุงกัดก็เป็นทุกเวทนาเกิดขึ้ น, น <S <S แต่บางคนทําแล้วก็รู้สึกสบายๆเฉยๆไม่ได้มีรมอะไรเยอะนี่ก็เป็นอนทุกมาสุขเวทนาก็คือรู้เฉยเกิดขึ้นแล้วก็มีเวทนาต่างๆแล้วนี่เกิดขึ้นนะก็ให้รู้ไปว่าสิ่งนี้ก็เป็นแค่สักแต่แ ว, ว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัว ต, ตรเราเขาไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เวทนา แต่เป็นแค่สักแต่ว่าเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราหรอกเพราะเวทนาเหล่านี้เขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นทาวรนเราก็จะไปบังคับเขาไม่ได้ด้วยเอเวทนานี้มีความสุขนะให้เราอยู่กันนานๆอยู่กันเรานานๆเขาก็ไม่อยู่ประเดี๋ยวเขาก็ไปนะเพราเราบังคับบัญชาก็ไม่ก็ไม่ได้เขาก็มีความไม่เที่ยงเขาก็ทนไม่ได้อีกเหมือนกันนะก็คือสิ่งนี้ก็คือไม่ตัวไม่ตนของเราทั้งหมดนะเราก็ไม่ไปติดในเวทนาเราก็แค่รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปเนี่ย แต่ถ้าใครที่ไม่ผ่านนะก็ไปจมอยู่ในตรงนั้นนะก็มีแต่ความทุกข์ทางนั้นนะเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจนี่มันจะผ่านหมดนะทุกเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์มันก็ผ่านหมดจะไม่ติดในเวทนาเนาะต่อมาเราก็ให้เห็นจิตนะจิตเตจิตตานุปัสสีวิหาระติกนะก็คือเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็นประจำเนียแล้วก็อาตาปีสัมมั ญ, ญโนสติมาวิเนยะโลเกมีความเพียรเครื่องเาวิกิเลตมีสัมมั ญ, ญญามีสติอ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อจิตจิตนี้ก็คืออะไรก็คือเห็นนะจิตว่าอ่าจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะอจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นต้นก็คือให้รู้อาการต่างๆของจิตที่เกิดขึ้นอ่าจิตนี้จะมีความว่องไวมากนะวันๆนึงก็จะมีหลายๆอารมณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันไหม มีความพอใจไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งวันเรารู้ทันไหมจิตนี้จะว่องไวมากแล้วก็จะทําเราจมอารมณ์ได้ง่ายนะคนที่กําลังไม่มีในในเรื่องจิตเนี่ยกระทบอารมณ์หน่อยก็ไปจมจมในความคิดนะจมในความคิดกขาไหลเข้าไปในความคิดออกมาไม่ได้เป็นความเครียดอ่าเป็นความกลัวความเหงาความพยาบาทความบิดฉาความหึงหวงเยอะๆเลยมาไปวนวนอยู่ในในจิตทั้งหลายเหล่านั้นล่ะนะ เรารู้ไม่ทันราคะก็ไปจมในราคะรู้ไม่ทันโทรศั์ก็ไปจมอยู่ในโทรศัพท์เพราะฉนั้นราคาก็ให้รู้มีราคาเกิดขึ้นการที่เรารู้นั่นแหละก็คือสติแล้วนะสติแล้วเรารู้ก็คือเราสามารถระลึกได้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อกี้เรารู้กายนะเราก็รู้กายไปในการต่างๆการเคลื่อนไหวของกายยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตก็คือเรารู้การเคลื่อนไหวของจิตนั่นเองจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้มันก็เพิ่มตลอดเวลา เราไม่รู้หรอกบางทีนาทีเดียวนะ่ยมีความยินดีร้ายไม่รู้ต้องเท่าไหร่มีรลมต่างๆเข้ามาต้งเยอะแยะนะเราก็ต้องรู้ทันในสิ่งเราเนี่ยแล้วก็วางเขาอย่างรวดเร็วนะหรือแม้แต่ความคิดบางทีนาทีเดียวก็คิดไปต้องหลายเรื่องก็มีนะก็ต้องรู้เท่าทันเพราะความคิดเรานะก็นําความทุกข์มาให้เราความทุกข์นี่เกิดจากความคิดโดยตรงนะไม่ได้เกิดจากที่อื่นนะความทุกข์ในใจเนี่ยเกิดจากความคิดเพอเรู้ไม่ทันความคิดก็ไปปรุงแต่งต่อนะปรุงแต่งต่อเป็นความรักความชังไป นะบางทีเราคิดไปถึงอดีตก็แล้วแต่บางทีไม่ได้มีใครมาว่าอะไรเราเลยอยู่ดีก็คิดผิดในถึงอดี ต, ตเมื่อห้าปีแล้วมีคนเข้ามาดา่าเรามานินทาเรามามาว่าลายเราเราก็มีความโกรธอีกครั้งหนึ่งได้นะเยพราะเรารู้ไม่ทันความคิดเคยปรุงแต่งต่อนะสิ่ ง, งตางนี่ต้องรู้ทันนะหรือถ้าใครก็มาดา่าเราก็แล้วแต่นะด่าเราก็ไม่เป็นไรเราห้ามปากใครก็ไม่ได้หรอกแต่เราห้ามใจเราได้ไหมนะหยุดที่ตัวเราเองเนี่ยสำคัญกว่านะเราหยุดคนอื่ไม่ได้แต่เราหยุดตัวเราเองได้หยุดอะไร ก็คือหยุดความคิดนะก็คือไม่ไปคิดต่อเขาดา่าเราก็ไม่เป็นไรเรารู้ยเฉยอันนี้เราไม่โกรธนะแต่ถ้าเราใครมาดา่าเราเร า, เราไม่รู้เฉ ย, ยก็ไปคิดต่ อ, อด่าทําไมด่าเรื่องอะไรเรื่องนี้ต้องมาดา่าไม่ผิดสักหน่อยมาด่าทําไมนะไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครเนี่ยมีความคิดต่างๆนี่เกิดขึ้นแล้วก็โกรธทันทีเลยไปปรุงแต่งต่อไปเราก็เป็นความความรักความชางังความโกรธนะหลาเพราะเรารู้ไม่ทันในความคิด แต่เรารู้ทันความคิดเออมาด่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ทันไปเราก็ไม่คิดต่อก็จบแล้วนะเพราะฉนั้นเราไปห้ามใครไม่ได้หรอกเราห้ามเขาปากได้แต่เราไปห้ามใจเขาได้ไหมก็ห้ามใจเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็ยังนึกด่าเราในใจได้อยู่แต่เราเนี่ยห้ามความคิดของเราเนี่ยได้นะก็คือเรารู้เฉยก็พอแล้วะรู้เฉยสักแต่ว่าเนี่มันสําคัญที่สุดเลยอะครั้นี้เมื่อกี้พูดถึงหลวงพ่อพิยะก็เล่าตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันะว่ารู้เฉยมันสําคัญอย่างไรนะ ผ้าพายะนี่เมื่อก่อนท่านก็เป็นพ่อค้าในทางทะเลนี่แหละต่อมาก็เรือล่มนะเรือล่มแล้วท่านก็ขึ้นฝั่งก็เสื้อผ้าหลุดหมดแล้วก็ต่อใบไม้มาโน่งแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านนะคราวนี้ในหมู่บ้านก็ชาวบ้านเห็นโอ้เป็นพระอรหันต์แล้วนะเพราะว่าไม่เอาอะไรเลยนะแต่ท่านก็รู้ว่าท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรอกท่านก็รับสมอาไปงั้นเองต่อมาท่านได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกแล้วท่านก็ทนไม่ไหวนะเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พอไปถึงพบพระเจ้าก so so so so ็บินบาตรอยู so ่กลางถนนนั่นก็ไปขอฟังธรรมพระเจ้าบอกว่าที่นี้ไม่ที่แสดงธรรมเดี๋ยวกลับไปอธิพักที่วัดก่อนก็แสดงให้ฟังท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะขอฟังธรรมเดี๋ยวนี้นะเขาขอเป็นขั้นที่สองก็ไม่แสดงจนขั้นที่สามพระเจ้าก็แสดงธรรมสั้นว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่ไม่มีในโลกทั้งสอง นี่แหละคือที่สุดถึงทุกข์ละเดี๋ยวพอท่านฟังแล้วนี้ก็บรรลุเป็นพระรหันต์เลยนะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกาถค้าในการลุธรรมได้เร็วที่สุดนะคําว่าสักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ได้เห็นหรือได้ยินก็สักแต่ได้ยินก็คือรู้เฉยนั่นเองนะรู้เฉยนะหรือว่าไม่ให้ค่าในสิ่งที่เห็นที่รู้ที่ได้ยินนั่นแหละมันเมื่อไม่ให้ค่าก็จบแล้วเมื่อรู้เฉยก็จบแล้วนี่แหละคือการสักแต่ว่านะประเด็นก็คือตรงนี้ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเจิต เร่งจิตมันว่องไวมันเร็ ว, วเราบังคับก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเรารู้ไหม เ, เรารู้เช่นทุก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้นี่ยรู้เมื่อกี้บอกว่ารู้ก็คือวงเล็บก็คือรู้เฉยเฉยก็คือตรงนี้นะไม่ว่าใครเยจะมาดา่าเราใครยะมาลินทา้าเราใครจะมาชมเราเนี่ยเราก็เป็นสิ่งของเราดูได้นะใครมาดาา่าเรานะถ้าเรารู้เฉยเฉยเราก็ไม่ทุกนะตรงเนี้ยเราจึงไม่ทุกนะเพราะว่าเราแค่รู้เฉยเฉยมันก็ไม่ไปคิดต่อมันก็ไม่ทุกแล้ว เพราะนั้นเ่าบอกทุก็จิกให้รู้รู้เฉยๆนะรู้เฉยมันคือสักดิแต่ว่านั่นเองนะก็เหมือนกับพระพายะนั่นแหละเก็เป็นรู้เป็นพระรหันเลยหรือแม้แต่หลมาเทียนนัก็จะพูดให้รู้เฉยจะเป็นประจำนะรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเยนี่คือคำของหลมาเทียนหลวงมาคำเขียนก็บอกให้รู้เฉยนะหลวคําคำเขียนให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นก็คือรู้เฉยนั่นเองหลวคมาคเขียนบอกว่า ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือรู้เฉยนั่นเองนะตรงนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันหมดนะก็คือให้เรารู้เฉยก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยจิตพอเรารู้เฉยได้ไม่มีกําลังนะกำลังการรู้เฉยนี่มันสําคัญมากมันจะตัดตัดหมดทุกอย่างนะตัดตัณหาด้วยตัดตัณหาในภวะตัณหาด้วยในวิภาวะตัณหาด้วยเพราะวิภาวะตัณหาก็คือไม่รู้เฉยเหมือนกันนะก็ไปผลักใส่เขานั่นเองนะ วันการที่รู้เฉยๆนี่แหละมันจึงเป็นการบัตรธรรมที่สุดยอดอย่างที่พระพายะท่านบนรรลุเป็นพระอรหันต์ในตรงนี้นั่นแหละแล้วก็มาก็เหมือนกับมาลุงไอ้บุตรนะมาลุงไอ้บุตรก็ถามพระเจ้าว่าข้าบ่งอายุมากแล้วควรจะบัตรธรรมอย่างไรจึงได้ผลเร็วพระเจ้าบอกว่ามาลุงไ อ, อ้บุตรเธออย่าเพลิดเพลินไปในร่มต่างๆให้ละความเพลิดเพลินเหล่านั้นเหมือนกับภิกตาฉันนั้นแล้วก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินคล้ายๆพระพายะในสุดท่านก็บรรลุธรรม เพราะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าอให้เราลุยเฉยแล้วเนี่ยมันก็จะจบได้ทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนะเพราะการที่ลุยเฉยนี่มันมีกําลังมากส่วนคนที่ไม่ไปบัติธรรมนะหรืออเป็นคนที่มีกิเลสเยอะรับประกันได้เลยเขาไม่มีทางลุยเฉยได้นะไม่มีทางรู้เฉยหรอกนะแต่คนที่มีกําลังของอทางจิตสูงนะพวกนี้จะลุ้เฉยได้เราเห็นว่าผู้ที่มีกําลังแล้วท่านจะเฉยเฉยตลอดนะใครจะมาอะไรท่านนั่นก็เฉยเฉยท่า น, นก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร จิต ท, ท่านวางหมดนะวางจากอะไรได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้คือกําลังของจิตแล้วนะนะเพราะนั้นใครที่มีกระทบอะไรหน่อยก็มีความร้อนรนนะมีความตื่นเต้นง่ายนะหัวเลาะง่ายร้องไห้ง่ายพวกนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ลุยเฉยพวกนี้ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนนะจะไม่มีกําลังองจิตนะเพราะนั้นกําลังงจิตก็คือว่าเราสา ม, มารถลุยเฉยได้ไหมในทุกลมที่เกิดขึ้นในใจของเรานะนะนะต่อไปก็คืออ่านอะ่นะ ให้มีสติพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําแล้วก็อาตาปีสัมมิชนโนสติมาเวเนยยาโลเกอภิชาสโสมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผาเกล็มีสมัมมชยามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมานุปัสสนาหรือธรรมในธรรมก็คือให้เห็นในธรรมทั้งหลายนะในความที่ว่าเป็นสัตวจธรรม อา่ศสัตว์บุคคลตัวตวเราเขาเป็นในจังลูกขน า, านตะาก็คื อ, อาทอาเช่นทำสี่ประการนะเช่น อ, อาลีสัตว์สี่นะขันห้านิวรห้าอายนาหกโพชงเจ็ดต่างๆเราเนี้ยเป็นต้นให้เห็นในความที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะตรงนี้เมื่อเราไปบัตรธรรมถึงระดับหนึ่งแล้วที่เราสามารถที่จะเห็นจิตได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจริงๆมันก็คือธรรมอย่างหนึ่ง จิตนี่มันมันจะวัไะถ้าเรามีกําลังเลยเห็นเออเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจริงๆนะความคิดนี่ก็เห็นชัดนะพอเราเห็นปุ๊บ ม, มันก็ดับไปเลยนะประเดี๋ยวมันก็คิดใหม่นะ เ, เดี๋ยวพอเรารู้เขาก็าดับใหม่๋ยจะเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะนั้นในธรรมทั้งหลายก็เหมือนกับตรง น, นี้เราเห็นสภาวะธรรมนี้ก็ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ตัวไม่ตนจริง ๆ, ๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเย ต, ตรงนี้ก็คือเราสามารถเห็นวิปัสสนาได้นะการเรืเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่แหละมันจึงเป็นเวปัสนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในขันห้าของเราเองในกายและในใจแล้วนะว่ามันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาทั้งนั้นเลยเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายก็จะเกิดการคลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วในข้อนี้ยังจะมีว่าในในบทสวดอนัตตลักษณะสูตรก็บอกว่าเมื่อเราเห็นขันห้าเนี่ย ว่าเมติยงเป็นทุกข์เป็นนาตาก็จะเกิดนิพินทางเวลาชติก็คือเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็วิลาคาวิมุตติก็คื อ, อก็จะเกิดจากการคลายออกอเกิดจากการคลายออกก็คือจิตเริ่มจ ะ, จะคลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนั่นเองนะก็คือเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายแล้วจิตก็จะเกิดการคลายออกจากความยึดติดนะคลายจากความกำหนัดทั้งหลายนี่แหละมันก็จะหลุดพน้นในตรงเนี้ได้นะวิธีการบัณฑำมันก็คือให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายในขันห้านี่แหละไม่ได้ไปเบื่อหน่ายที่ไหลหรอก ขันห้าคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยว่ามันมันไม่ตัวไม่ตนเราจริงๆเลยมีความทุกข์ทั้งนั้นทนไม่ได้จริงๆนะมันก็จิตมันก็เลยเบื่อหน่ายจริงๆนะแต่ถ้าตาบใดที่เรายังยึดว่าขันห้านี้เป็นของเราหน้ารักนะน้าทนุถนอมหน้าหวงแหน่ะมันจะไม่เกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นะลองเราลองดูทุกทั้งหมดนะทุกทั้งหมดเนี่ยมันมีมากมายที่เราเคยทุกข์มันทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าทุกข์นั้นมันไม่เป็นทุกข์ที่ว่าเราเห็นได้ต่อเนื่องกันมีทุกข์บ้างสุขบ้างนะ จิตก็เลยไม่เกิดการเบื่อหน่ายนะแต่เราพิจารณาเห็นความทุกข์ที่มันเกิดนในกายและใจเราจริงๆจนต่อนเนื่องแล้วในะจิตมันจะเบื่อหน่ายจริงๆมันะเป็นความเบื่อหน่ายที่ว่าเราจะสงสารตัวเองมากเลยนะตรงนี้พันธุการปฏิบัติธรรมก็คือให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเองนะแล้วเขาจะคลายกำหนัดให้เองหลังนั้นเราก็จะค่อยๆที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะนะในท้ายสุดนี้ก็ขอทุกท่านนะะเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่ง ความพ้ทุได้ในชาตินี้ท่านเธิน